แล้วก็สามารถที่จะแยกแยอะออกว่าอะไรเป็นทางแห่งความพ้นทุกข์อะไรเป็นทางแห่งความดับทุกข์และอะไรเป็นทางเพื่อเพิ่มพูนความทุกข์เนี่ยนะต้องแยกให้ออกว่าอะไรเป็นทางแห่งวัตตะอะไรเป็นทางแห่งวิวัฏตะอนั่อ น, นอาศัยสติเนี่ยนะอาศัยสติทีนี้คนที่โอ้ศัทธามากเพียนก็เยอะสติก็ดีใจนี้ควรจะเป็นยังไงควรจะมั่นคงหรือฟุ้งซ่าน นนก็ควรจะมั่นคงถ้าฟุ้งซ่านบ่อยๆนั่งอยู่ภายในสองนาทีคิดได้ตั้งร้อยตั้งยี่สิบสามสิบเรื่องในเก่งไหมอา้าน่าจะฉลาดใช่ไหมนั่งอยู่แป๊บเดียวคิดได้ตั้งหลายอย่างไม่ น, นั่นอฟุ้งซ่านมากเนี่ยนะฉะนัะ้นธรรมะเนี่ยเป็นของคนที่มีใจตั้งมั่นแล้วก็อันสุดท้ายก็คือความเข้าใจในอริยสัจเพิ่มไหม ความรู้อริยศัสตร์เพิ่มขึ้นัหมเข้าใจอริยศัสตร์ยิ่งขึ้นไหมถ้าความรู้ความเข้าใจในอริยศัสตร์เพิ่มพูนขึ้นก็แสดงว่าถูกทางแล้วเนี่ยนะถูกทางคาว่าถูกทางก็คือเป็นไปตามทางแห่งอริยมรรคแล้วอริยมรรคก็คืออินรี่ห้ประชุมกันนั่นแหละก็คืออันเดียวกันนั่นแหละต่างกันแค่ปริยายต่างกันแค่คาพูดต่างกันแค่พยัญชนะเนี่ยนะนะ เพราถ้าเราฟังเราเรียนเพื่อเพิ่มพูน อ, อินทรีย์ทั้งห้าเนี่ยนะไม่นานเท่าไหร่เราก็สามารถทําที่สุดแห่งทุกได้ถึงเหตุการณ์ใดๆก็เกิดขึ้นก็ช่างเถอะทุกครั้งที่เราเรียนก็เป็นบุญเป็นกุศลของเราทุกครั้งไปเป็นบุญกิจวัตถุประเภทธรรมเทศนาทไมเป็นการฟังเพื่อเพิ่มพูนบุญกุศลทันจิตใจของเราก็จะไม่บกพร่องไม่งั้นเนี่ยฟังไปโอ้ต้องรีบไปปฏิบัติแล้วละฟังเยอะแล้วเนี่ย น, นะจะบอกว่าปฏิบัตินี้ไม่รู้เข้อาอะไรเป็นเครื่องวัด คำว่าปฏิบัติในพระศาสนานี้เขาเอาศรัทธาเป็นเครื่องวัดว่าศรัทธาเพิ่มไหมถ้าศรัทธาเพิ่มนั่นแหละคือการปฏิบัติวิริยะเพิ่มไหมถ้าเพิ่มนั่นแหละคือการปฏิบัติสติเพิ่มไหมถ้าสติเพิ่มนั่นแหละคือการปฏิบัติสมาธิเพิ่มไหมถ้าสมาธิเพิ่มนั่นแหละคือการปฏิบัติตัญญาเพิ่มไหมปัญญาเพิ่มนั่นแหละคือการปฏิบัติเพราะตัวศรัทธาวิริยะสติสมาธิปัญญาคือตัวปฏิบัติไม่ใช่รูปเป็นตัวปฏิบัติเนี่ยนะ ไม่ใช่ตัวยืนตัวเดินตัวนั่งตัวนอนคือตัวปฏิบัติไปที่เนี่ยไม่มีใครไปอยู่ตีลงังกาได้หรอกมันก็ไปยืนไปเดินไปนั่งไปนอนอันนิยามของคําว่าปฏิบัติไม่ใช่รูปแต่หมายถึงศรัทธาวิรยิยะสติสมาธิและปัญญามันเพิ่มได้ไหมละ่ะเพิ่มได้จากที่ไหนเมื่อไรอย่างไรก็อันนั้นนนัค่อยว่าอีกทีหนึ่งแต่ที่สําคัญเพื่อให้เข้าใจทิศทางเข้าใจ่องช่องทางและ แนวทางถ้าเข้าใจตามนั้นเนี่ยนะคุณธรรมเหล่านี้ก็จะเพิ่มพูนเจริญเติบโตขึ้นเขาเรียกว่าภาเวตปาธรรมอย่างที่เราเรียนปฏิสัมพิธาวันนี้เนี่ยนะก็ เ, เรียกว่าภาเวตปาปาธรรมเรียนเพื่อเจริญธรรมที่ควรเจริญเนี่ยนะเพราะว่าในบรรดาสุตมยายานเนี่ยนะสุตมยายานการฟังที่ดีฟังที่ถูกฟังเป็นคนที่ฟังเป็นเนี่ยฟังว่ายังไง คนที่ฟังเป็นก็ฟังว่านี้ควรรู้ยิ่งนี้ควรกําหนดรู้นี้ควรละนี้ควรเจริญนี้ควรทําให้แจ้งนี้เป็นไปเพื่อความเสื่อมนี้ดํารงอยู่นี้พิเศษขึ้นไปนี้ส่วนแห่งการชํำระกิเลสนี้อานิจจังนี้ทุกขังนี้อนัตตานี้ทุกสมุทัยนีโรธมักฟังและแยกออกทั้งสิบหกหัวข้อดังกล่าวไปเรียกว่าคนฟังเป็นนะถ้าหากว่าฟังแล้วไม่เข้าใจในหนึ่งในสิบหกอย่างเลยเรียกว่าคนผ่านหูเป็นนะผ่านหูเพราะว่าไม่สําเร็จประโยชน์ของ สุตามียาญเนี่ยนะสุตามียาญทั้งหมดหัวข้อใหญ่ๆเนี่ยสิบหหัวข้อสิบหกหัวข้อทวนอีกครั้งหนึ่งนะหนึ่งรู้ยิ่งสิ่งที่ควรรู้ยิ่งกําหนดรู้สิ่งที่ควรกําหนดรู้ละสิ่งที่ควรละเจริญสิ่งที่ควรเจริญทําให้แจ้งสิ่งที่ควรทําให้แจ้งเขาเรียกว่าอภินญญยธรรมปริญญาธรรมปหาตตาธรรมภาเวตาธรรมและสัจฉิการตาธรรมนั่นเองอันก็ฟังให้ออก แล้วก็ต่อไปเนี่ยนะถ้าภาเวตาธรรมเนี่ยนะภาเวตาธรรมสิ่งที่เราเจริญก็มาดูว่าเจริญแล้วทําท่าจะเสื่อมหรือทําท่าจะจดํารงอยู่หรือทําท่าจะเจริญยิ่งขึ้นหรือเกือบบรรลุเลยก็มาดูเอาล้วกันว่าอยู่กลุ่มไหนแนวโน้มเสื่อมแนวโน้มตั้งอยู่แนวโน้มพิเศษยิ่งยิ่งขึ้นไปโ ต, นโตขึ้นโตขึ้นเพิ่มพูนขึ้นหรืออเกือบแพงตลอดละเกือบบรรลุแล้วเนี่ยนะ อันนั้นในวันวนีเ้เพรทพยะก็ให้ต่อการบรรลุก็ให้ต่อการสัตยสรูุ้ก็ให้ต่อการชำระ่ฟังอีกครั้ฟังให้ดีน ะ, รรน ค, ออะคำว่าบรรลุคืออะไรคําว่าบรรลุเนี่ยนะบรรลุเนี่ยมาจากคําว่าอะไรบาลินปฏิเวทะปฏิเวทะประิญญาปฏิเวทะ์นะเรียกว่าตรัสบรรลุด้วยการกําหนดรู้บรรลุด้วยการอะไรด้วยการละบรรลุด้วยการทําให้แจ้งบรรลุด้วยการ จเจริญคําว่าบรรลุเนี่ยไม่ใช่ว่ามันปิ้งขึ้นมาแบบอะไรก็ไม่รู้นี่นะไมเคาะแกะ้วเคาะอะไรนะเคาะแก้วแบบขายน้ํายาล้างชามไม่ใช่แบบนั้นเน็ดเอาใหม่นะว่าพนการฟังที่ถูกที่เป็นฟังเพื่อหนึ่งกำหนดรู้รู้ยิ่งสิ่งที่ควรรู้ยิ่งกําหนดรู้สิ่งที่ควรกําหนดรู้ละสิ่งที่ควรล ะ, จะเจริญสิ่งที่ควรจเจริญ ทำให้แจ้งสิ่งที่ควรทาให้แจ้งฟังออกเลยว่าเออสิ่งเนี้ยกลุ่มเนี้ยเป็นอะไรเป็นอะไรแยกแยะเป็นเลยนะแยกแยะแม่สีเป็นนะคล้ายๆแยกสีเหมือนกับดูภาพสิบหกภาพออกวันนี้เป็นภาพเรื่องนึงเรื่องแยกแยะเป็นเนี่ต่อไปถ้าเราเจริญกุศลกุศลที่เราเจริญเนี่ยนะไม่ว่าจะเป็นทานศีลภาวนาศรัทธาวิริยสติสมาธิปัญญาคุณธรรมเหล่านี้อยมาแยกหรอกอ่าเช่นศรัทธาของเรานะก็มาเอาเอาเอาห้าสี่กลุ่มเนี้มาจับ กำลังเสื่อมหรือดำรงอยู่หรือเจริญขึ้นหรือเกือบจะทำกิจอริยสัตว์แล้วนะเอาัทธามาวัดอะไรนะเอาสัทธามาเช็คดูวิิยะมาเช็คดูว่าทำท่าจะเสื่อมหรือดำรงอยู่หรือพิเศษขึ้นเอาอะไรสติมาวัดดูว่าเสื่อมหรือดำรงอยู่หรือเจริญขึ้นสมาธิที่เราทำอยู่เนี่ยเสื่อมหรือดำรงอยู่หรือ จเจริญขึ้นปัญญาเหมือนกันอะไรเสริมำลำรงอยู่หรือจเจริญขึ้นหรืออินทรีย์ทั้งห้าเกือบประชุมกันแล้วอั น, นิเพทะาตรัสรู้แน่ น, นะแล้วก็มาดูเฮอันนี้เรียกว่าภากยธรรมทั้งสประการเนี่ยนะทีนี้อ่าแล้วขันห้าอุปาทานขันห้าอ น, นิจจังทุกขังอนัตตา น, นีิแม่นยำขนาดไหนชื่นชมในความยั่งยืนอยู่ตั้งนานตอนท้ายบอกอ น, นิจจังใช่ไหม เขามีเขามีอยู่ที่หนึ himself, they they they so ่งเขาบอกว่านะเราพูดเรื่องอะไรเนี่ยนะที่จะไม่ให้เป็นเดรฉานกาถานะมันต้องจบลงด้วยอานิจจังทุกขังอนัตตาประาณั้นนะเสร็จแล้วก็คุยเพอเจอร์ไปครึ่งวันเนี่ยนะบอกสนทนาอะไรกันอยู่อะแนนเนนเล็กๆแกล้งพระบว่าอานิจจังมันไม่เที่ยงตอนท้ายจะหน่อยนะที่ไหนได้เดรฉานคาถาอยู่ครึ่งวันนะเนี่ยนะ บอกแล้วตอนท้ายบอกมันไม่เที่ยงเนี่ยนะคือจริงๆแล้วเนี่ยว่าแล้วไอ้ในความรู้สึกของเรามันไม่เที่ยงหรือมันเที่ยงกันแน่เรานึกถึงใครหรือถึงเรื่องอะไรก็ตามเนี่ยนะลึกๆของเราจริงๆเราแน่ใจว่ามันไม่เที่ยงหรือมันเที่ยงกันแน่แน่ใจว่ามันเป็นทุกข์หรือมันเป็นสุขกันแน่ที่เราพูดถึงคิดถึงอะไรทั้งหมดเนี่ยนะสิ่งที่เราพูดถึงคิดถึงทั้งหมดเนี่ยมันทุกข์หรือมันสุขกันแน่ ไกลลึกๆบอกมนันก็มันก็ไม่ไม่เลวร้ายเกินไปมั้งอ่ะนะก็ยังสนุกดีมีความสุขใช่ได้เหมือนกันนะแต่ทงก็ต้องนึกอันนี้จังทุกครังแล้วก็อนัตตาหรืออัตตากันแน่นะก็มีคำอันนึนกงออก็สตามเห็นสิ่งที่ไม่เที่ยงโดยความเป็นเป็นทุกตามเห็นสิ่งที่ไม่เที่ยงว่ามันเป็นทุกตามเห็นสิ่งที่เป็นไม่เที่ยงด้วยเป็นทุกข์ด้วยนั่นแหละว่าเป็น อัตตาเพราะไม่มีใครมีอำนาจว่าขอจงเที่ยงขอจงสุขไม่มีใครมีอำนาจว่าขอจงเที่ยงขอจงสุขแล้วก็ไม่มีอัตตาอยู่ในนั้นแล้วก็ไม่ใช่เป็นบริขารของอัตตาอะไรที่ที่แน่นอนอะไรเพราะเบื้องลึกๆจริงๆทุกเรื่องทั้งอดีตอนาคตปัจจุบันเนี่ยนะทุกอารมณ์ทุกทวารทุกความรู้สึกนึกคิดมั่นใจแน่นะว่าอันิีจังทุกขังอัตตาหรือนึกถึงคาสอนได้นึกถึงคาได้ นึกถึงคําว่าอ น, นิจจังทุกขังอนัตตาหรือเข้าใจในความเป็นคิดถึงคําว่าอ น, นิจจังกับเข้าใจในความเป็นอ น, นิจจังก็ไม่ต่างกันนั่นนะคือปัญญาเนี่ยมันเป็นตัวที่เข้าใจในความเป็นอ น, นิจจังของสิ่งนั้นว่าอ น, นิจจังแบบนั้นคืออะไรนัะเอ้าเมื่อไหร่ก็ดูเหมือนเดิมหมดเลยอ น, นิจจังหรือเปล่าเพราะะนั้นฟังอ น, นิจจังทุกขังอนัตตานี่ต้องแม่นยําทีนี้การฟังอ น, นิจจังทุกขังอนัตตาเนี่ยนะ อนนีจังทุกขังอนัตตานี่มันตัวขออะไรรู้ไหมทุกขสัจจะโดยทั่วไปนี่มุ่งอธิบายทุกขสัจจะการพูดอันนี้จังทุกขังอนัตตาพูดอนนี้จังทุกขังอนัตตาเพื่อเพิ่มกิเลสหรือเพื่อละกิเลสเพื่อละกิเลสอันแล้วบอกก็มันไม่เที่ยงเสร็ ด, ดื่มเหล้าดีกว่าไงถ้าอย่างนี้ไม่ใช่แน่นอนบอกก็มันไม่เที่ยงแล้วรีบเที่ยวดีกว่ารีบรีบทําอกุศลอะไรอย่างใดอย่างหนึ่งดีกว่าเพราะไหนๆก็จะจุติแล้วระหว่างนั้นมันก็ไม่เที่ยงแล้วใช่ไหมก็เลยรีบเพิ่่มมสทยดีกวา ไม่ขันการพูดถึงอนิจจังทุกขังอนัตตาเป็นนิยามของทุกขสัจจะทุกขสัจจะกานกล่าวถึงอนิจจังทุก ข, ขังอนัตตก็เพื่อละสมุทัยที่ควรละเพื่อละตัณหาที่ควรละเนี่ยนะละทั้งการมตัณหาภาวะตัณหาและวิภาวะตัณหาถ้ารู้อนิจจังทุก ข, ขังอนัตตาเท่าใดแค่ไหนอย่างไรก็ต้องละสมุทัยได้เท่านั้นเท่านั้นทีนี้กว่าโอโ้กิเลสละแล้วแต่ว่าเขาบอกเขาบอกเขาระกิเลสแล้วเขาบางกกัน ทำไมอ่ะละได้ยังไงก็มันไม่เกิดอ่ะแต่เขาไม่รู้อะไรนะเพียงแต่ว่าสมมตินั่งสบายๆอกุศลไม่กลุ่มรุมสบายแล้วเขาเขาบรรลุแล้วเขาบองว่าเพราะกิเลสมันไม่เกิดเมื่อใช่ไหมไม่ใช่เพราะไม่ได้ทําให้แจ้งสิ่งที่ควรทําให้แจ้งถ้าไม่ทําให้แจ้งสิ่งที่ควรทําให้แจ้งมันละอะไรไม่ได้จริงๆหรอกเนะนะไม่ใช่อยู่เฉยๆแล้วบอกว่าพอแล้วละกิเลสได้แล้ว นนะเพราะไม่ได้ทำพระนิพานที่ควรทําให้แจ้งถ้ายังไม่ทําให้แจ้งก็จะแสดงว่ายังไม่บางคนก็บอกว่าเขาเนี่ยนะอันนี้จางทุขังอนาัตตาก็รู้แล้วกิเลส ก, ก็ละแล้วนิพานก็เห็นแล้วแต่ว่าเจริญมัชยังไงก็ไม่รู้เขาบอกงั้นนะไม่รู้ว่าเจริญมัชนี้เจริญยังไงเจริญสัมมาทิฏฐิสังกัปปะเป็นต้นองค์มัชแปรประชุมกันเป็นอย่างไรก็ไม่เข้าใจทราบอย่างอันนั้นประกาศถึงอะไรพฟัง ผู้ที่มีสุตมยาญยต้องไม่เป็นอย่างนั้นะจะต้องมีปัญญาแยกแยะกําหนดแยกแยะออกว่าอะไรสรุปนะทบทวนนะสิบหกหัวข้ออย่าให้จําให้แม่นเลยถ้าจําได้อย่างไ้ก็ฟังทำที่ไหนเมื่อไหร่ก็ฟังเพื่อให้ในสิบหกหัวข้อนะอันนี้อินรีย์เดียวนะฟังเพื่อเอาอินรียตัวเดียวนะคือปัญญ์อินซีไม่พูดถึงอินทรีย์ตัวอื่นๆ อ, อ, อีกนะอินรียตัวอื่นอีกมาก นันนิยานีิกระทำทำที่นําออกจากทุกนเนี่ยไม่ใช่ของไม่สัมภาระเยอะมากไม่ใช่ไม่ใช่เล็กน้อยเลยต้องปรุงมากจริงๆเพราะองค์ก็บอกแล้วว่าสิ่งที่ต้องปรุงมากที่สุดคืออริยมรตปรุงแล้วดีสิปรุงแล้วประนีตเนี่ยนะแม้กระทั่งเครื่องเทศเครื่องแกงก็ไม่ใช่ปรุงน้อยๆใช่ไหมแล้วโพธิปักขยธรรมจะปรุงเล็กปรุงน้อยพอไหมที่จะพ้นทุกข์ได้ไม่พอท่านก็ต้องฟังเพื่อปรุงอย่างมากแม้กระทั่งฟังเพื่อปรุงปัญญาก็ฟังให้แยกสิบหกหัวข้อเป็นอันนี้เป็น สุตามะยะปัญญาเนี่ยนะทีนี้เมื่อฟังทั้งสิบหกหัวข้อได้ชัดเจนแล้วอ่ะทํายังไงในชีวิตจริงเราได้จะได้เห็นทั้งสิบหกหัวข้อในชีวิตจริงเป็นความรู้ที่มีอยู่ในชีวิตจริงๆเนี่ยนะเป็นผู้ที่ภาษาธรรมะเขาบอกว่าอริยาสาวกผู้ได้สดับแล้วใช้คํานี้ตลอดใช่ไหมได้ยินบ่อยไหมอริยาสาวกผู้ได้สดับแล้วรู้เห็นอยู่เมื่อรู้อย่างนี้เห็นอยู่อย่างนี้ย่อมเบื่อหน่ายไหมในรูปเป็นต้นเนะี่ยนะนะ ท่นจะใช้คํานี้ตลอดเลยอริยาสาวกผู้ได้ฟังจบแล้วรู้อยู่เห็นอยู่รู้นี่เป็นชื่อของอะไรชาณตาปัสาตานีนะชาณตาปัสาตาก็เป็นชื่อของสมถะเป็นชื่อของวิปัสสนาทั้งหลายรู้อยู่เห็นอยู่ย่อมเบื่อหน่ายแม้ในรูปเวทนาสัญญาสังขารและวิญญาณนิพิทาคือความเบื่อหน่ายนั่นแหละเป็นปัจจัยแก่คลายกหนัดคืออริยมรรคเป็นต้นท่า น, นการฟังเนี่ยจนกว่าฟังว่าอริยาสาวกผู้ได้ฟัง อผู้ได้สดับแล้วคือฟังแล้วเข้าใจทั้งสิบหกหัวข้อแล้วใช้ในชีวิตจริงๆบางคนก็บอกว่าโอ้ยเขาฟังเขาฟังมาเยอะมากเนี่ยนะเนี่ยเขาฟังมาเยอะมากเลยจะให้เขาทํำยังไงถ้าถามมามขาก็หมดตัญญาเลยเขาฟังมาเยอะมากถ้าว่างั้นจะให้เขาทํายังไงต่อไปพ่อมาก็ไม่รู้ไม่รู้ว่าคุณไปฟังอะไรมาบ้างก็ไม่รู้ไอ้ที่ไม่รู้ไม่รู้ว่าคุณไปฟังอะไรมาบ้างแต่บอกว่าฟังเยอะเหลือเกินเนี่ยนะ ฟังมากฟังไม่แต่ว่าให้ทํายังไงต่อไปน่าสงสารคนตอบเลยนะตอบไม่ได้เอาทั้นพยายามต้องศึกษาให้ให้เป็นนะทั้นฟังมากฟังไมฟ่มฟังเยอะอาจจะชั่วโมงในในห้องเรียนอาจจะเยอะก็จริงแต่ว่าอาจจะหลับในห้องเรียนเยอะฟุ้งซ่านในห้องเรียนไม่น้อยชวนเพื่อนคุยไม่เบาเป็นต้นเนี่ยอาจจะอย่างนั้นก็ได้เนี่ยนะ เขาอาจจะบอกว่าโอ้ย่านหูมาเยอะอะไรไมาเยอะเ ป, ปตน้นอาจจะไม่ใช่ก็ได้อาจจะไม่ใช่สุดแต่ไม่ยาอย่างที่กำลังพูดถึงอยู่นี้ก็ได้